ปกติหลวงพ่อจะสอนว่าวิธีปฏิบัติที่ถูกเป็นยังไงเมื่อชาวสอนสิ่งที่ผิดไปละสอนวิธีแก้ให้นะมันเป็นเรื่องของสมาธิทั้งหมดเลยที่ผิดถ้าทำสมาธนะิเพื่อความสงบเพื่ออะไรเงี้ยจิตมันยังไม่สงบนะมันนิมิตมันจะเกิด ้จิตมันสงบเต็มที่แล้วนิมิตก็หายมีสมาธิครึ่ง <c oughs> ๆกลางๆนิมิตจะเกิดนะสมาธิลึกลงไปถึงฐานจริงๆแล้วหายหมดนะนิมิตวิปัสสุก็เหมือนกันถ้าสมาธิเราถูกวิปัสสุก็หายเรื่องสมาธิเรื่องใหญ่นะไม่ไงั้ก็เสร็จหมดแล้ว ภาวนาไปเราไปเจออะไรแปลกๆ ก, ก็เชื่อบรรลุแล้วส่วนหลักของการปฏิบัติที่ถูกนะถ้าเราต้องการทำสมาธิชนิดสงบเอาไว้พักผ่อนนะเคล็ดลับอยู่ที่การเลือกอารมณ์ต้องดูว่าจิตใจเราชอบอารมณ์ชนิดไหนชอบพุโทโธใช้พุโทโธ ชอบหายใจใช้หายใจนะชอบเดินจงกรมไปเดินจงกรมอะไรก็ได้ไม่เลือกอารมณ์สมาธิชนิดสงบเนี่ยไม่เลือกอารมณ์นะอารมณ์อะไรก็ได้ที่ใจมันชอบยกไว้อารมณ์ที่เป็นอกุศลไม่เอาคืนไปอยู่กับอารมณ์ที่เป็นอกุศลจิตเสียหมนุนอารมณ์ที่ไม่ใช่อกุศลอย่างพุทธานุสติคิดถึงพระพุทธเจ้านะ คิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์คิดถึงทานที่เราทำมาดีแล้วคิดถึงศีลที่รักษามาดีแล้วนะการเจริญเมตตานะการกำหนดจิตอยู่ในความสงบนะนี่ อ, อุปสมานุสติของเราได้คิดแค่สงบวิธีง่ายๆก็คือลองฟังเสียงของความเงียบรู้จักไหม สาวเสียงของความเงียบจะได้ยินตลอดเวลานะเราน้อมใจไปอยู่เอาเสียงอย่างเงี้ยเป็นอารมณ์ใจมสงบง่ายนะอย่าเพลินก็แล้วกันหรืออยู่กับลมหายใจอยู่กับกายดูผมขนเล็บฟันนังเนี่ยกระดูกอะไรอย่างเงี้ยหรือพิจารณาความตายอารมณ์กรรมฐานที่ดีๆพวกนี้เอาไปใช้บ่อยๆ ดูว่าเราชอบอะไรล้วก็ใช้อันนั้นถ้าทำแล้วอึดอัดแสดงว่าไม่ถูกจริตอย่างหลวงพ่อนะใช้ได้หมดอ่ะดูกายก็ได้ดูจิตก็ได้นะทำสมาธิได้หมดเลยยกเว้นมีกระดูกอยู่ท่อนหนึ่งกระดูกท่อนนี้หายปลาลาข้างซ้ายถ้าไปดูเมื่ อ, อไหร่นะปวดเลยครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ามันไม่ถูกจริตอันนี้อันอื่นดูได้นะ กระดูกสามร้อยท่อนบางคนบอกมีสองร้อยกว่ามันมีกระดูกอ่อนด้วยนะกระดูกเว้นไปท่อนหนึ่งไม่เป็นไรนะไม่ต้องดูครูบาอจารย์ท่านก็เล่าว่าท่านมีกระดูกซี่โครงอยู่อันหนึ่งถ้าดูตัวนี้ก็ปวดไม่ต้องดูไม่ดูตัวอื่นนะเวลาจิตมันมีความสุขอยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่ง มันก็จะไม่วิ่งพลาดไปหาอารมณ์อื่นจิตก็สงบจิตไม่สงบเพราะจิตไม่มีความสุขจิตหิวอารมณ์ก็วิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปลิ้มรสอะไรเงี้ยวิ่งไปคิดนึกนะจิตมันไม่มีความสุขมันก็วิ่งหาความสุขไปเรื่อยๆทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เลยฟุ้งซ่านแต่ถ้าจิตมันมีความสุขแล้ว่ะเราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขจิตพอใจจิตจะไม่หนีไปเที่ยว จิตเหมือนเด็กสซนๆนะเราอยากให้เด็กไม่สซนเด็กอยู่บ้านเราก็หาของที่เด็กชอบมาให้มันถ้าคนโบราณก็หาขนมมาให้เดี๋ยวนี้ก็เอาอะไรเขาเรียกอะไรเปล่ไปนั่งดูไอ้นั่นมันยี่ห้อหลวงพอ่งออุตสาเลี่ยงเออแท็บเล็ตเอาไปให้มันเล่น เราหาสิ่งที่เด็กชอบไปให้มันนะมันก็ไม่สนไปที่อื่นจิตนี้ก็เหมือนกันหาอารมณ์ที่มันชอบมามันชอบพุโทโธอยู่กับพุโทโธอะไรเงี้ยมันก็ไม่หนีไปที่อื่ น, นก็สงบเนี่ยเคล็ดลับของการทำความสงบถ้าเราไม่รู้เคล็ดนะทำให้ตายก็ไม่สงบแล้วเราต้องใช้ใจที่สบายนะไปรู้อารมณ์ที่สบายใช้ใจที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขรู้แบบมีความสุขด้วย รูปแบบเครงเครียดก็ใช้ไม่ได้รวมแล้วมีความสุขสามตัวรู้จักเลือกอารมณ์ที่มีความสุขใช้ใจที่มีความสุขนะไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขนะรู้อย่างสบายๆไม่ใช่รู้แบบบังคับตัวเองนจะไม่สงบหรอกหลวงพ่อหลับตายังไม่ทันหายใจมันก็สงบแล้วเดี๋ยวต้องถอยออกมาก่อน เข้าไปแล้วธรรมะมันหายหมดนะดับหมดเลยอันนี้สมาธิชนิดที่หนึ่งะถ้าทำแล้วจิตมีแรงเอาไปเป็นวิธีพักผ่อนเราจะได้เดินปัญญาต่อสมาธิอันที่สองเป็นสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นอันนี้เราใช้วิธีทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง ใช้อารมณ์เดิมที่เคยทำสมาธินั่นแหละใช้ได้แต่เปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนลีลาในการปฏิบัติถ้าเราต้องการความสงบนะเราใช้ใจที่สบายไปรู้อารมณ์ที่สบายรู้อย่างสบายสบายอะไรเป็นตัวหลักนะตัวอารมณ์เป็นตัวหลักใจไปอยู่กับอารมณ์เดียวแต่ถ้าเราจะทำสมาธิชนิดตั้งมั่นเนะี่ยเราใช้จิตเป็นหลักไม่ใช่ใช้อารมณ์เป็นหลัก เราเอาจิตเนี่ยไปอยู่กับอารมณ์นะแล้วเวลาจิตมันจมลงไปในอารมณ์มันแช่ลงไปในอารมณ์รู้ทันหรือจิตมันหนีไปจากอารมณ์รู้ทันคือทํากรรมฐานสัอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนอาจจะเคลื่อนไปอยู่ที่ตัวอารมณ์ก็ได้เช่นดูท้องพองยุบจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องเนี่ยให้รู้ทันว่าจิตเคลื่อนถ้ารู้ไม่ทันนะมันจะกลายเป็นสมาธิชนิดแรกแล้วถ้าไม่มีสติกํากับนะจะกลายเป็นมิจฉาสมาธิ นะหรือบางทีไม่เคลื่อนไปที่ลมรู้ลมหายใจอยู่เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูที่หนีไปคิดเรื่องอื่นนะเรารู้ว่าจิตหนีไปคิดหรือเราบริกรรมพุทโธพุทโธนะพุทโธก็คือความคิดอันหนึ่งแต่เป็นความคิดที่เราเจตนาคิดเวลาที่เราขาดสติเนี่ยจิตมันจะแอบไปคิดเรื่องอื่ น, นะนจะไปคิดร้อยเรื่อง่ันเรื่อง ถ้าเราคิดพุดโทโธจนชินนะพอจิตนี้ไปคิดเรื่องอื่นปุ๊บมันจะรู้ได้เร็ ว, ลวเลยเฮ้ยเพล๋อไปแล้วเพลอไปหนีไปคิดเรื่องอื่นลนะอย่าเงี้ยจิตมันก็จะตั้งมั่นขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะเคล็ดลับไม่ใช่อยู่ที่การบังคับจิตไม่ให้เคลื่อนเคล็ดลับไม่ได้อยู่ที่การรักษาจิตให้ตั้งมั่นแต่สิ่งที่เป็นเคล็ดลับในการทําสมาธิชนิดตั้งมั่นก็คือ มีสติรู้ทัน จ, จิตที่เคลื่อนไปอยู่กับพุทโธจิตจมลงไปในพุทโธรู้ทันจิตหนีไปที่อื่นรู้ทันอยู่กับลมหายใจจิตจมลงไปในลมหายใจรู้ทันจิตหนีไปคิดทื่อื่นรู้ทันขยับมืออย่างลงพระเทียนจิตจมลงไปในมือรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันดูท้องพองยบนะจิตไหลลงไปอยู่ที่ท้องรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทัน อะไรก็ได้เหมือนๆกันนะไม่มีามาตรฐานอะไรพิเศษพิโสกว่ากันหรอกนะมันแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่จริตนิสัยเหมือนกันหมดขอให้ถูกหลักเราก็ใช้ได้ถ้าผิดหลักก็ใช้ไม่ได้นะอันนี้ส่วนของสมาธินะ่ะมีสองอันส่วนของปัญญามีอันเดียวมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจะเห็นความจริงไม่ได้ สิ่งที่เรียกว่าความจริงคือไตรลักษณ์มีสติมีสตินะรู้กายรู้ใจสติเป็นตัวรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจนะแต่สิ่งที่ดูเนี่ยไม่ใช่ดูตัวกายตัวใจเราจะดูไตรลักษ์ที่ซ่อนอยู่ในกายในใจฉนะนั้นต้องดูให้ถึงไตรลักษ์ดูความจริงของมันให้ได้อย่างถ้าเราดูร่างกายแล้วเราจ้องนิ่งอยู่ในร่างกายเนี่ย เป็นอะไรเป็นสมาธิชนิดที่หนึ่งใช่จิตเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวดูท้องพองยุบแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ท้องเป็นสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์เดียวสงบเฉยแต่ไม่ฉลาดนี่เรามีสตินะรู้อะไรสติทำหน้าที่ระลึกรู้รู้กายรู้ใจไปรู้นิมิตรู้อะไรวิเศษวิโสอย่างอื่นก็ใช้ไม่ได้นะ แต่ทั้งไปรู้พระนิพพานยังใช้ไม่ได้เลยในขั้นวิปัสสนาพระนิพนพานไม่มีใจลักนิพพานมีเอกลักษณ์เทนะั้นะคืออนัตตานะไม่มีเกิดดับจะไปดูเกิดดับที่พระนิพพานดูไม่ได้สิ่งที่เกิดดับได้คือรูปธปรรมนามธรรมงั้นเราดูที่กายดูที่ใจมีสติรู้กายรู้ใจรู้แบบไหนรู้ตามความเป็นจริง ความเป็นจริงของกายนะคือมันเป็นทุกข์นะมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดมันไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุหรือมันไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่กายเนี่ยตัวที่ดูง่ายคือตัวทุกข์นะก็กายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดแล้วก็ดูอนัตตาว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราว ส่วนการดูจิตนะอนิจจังดูอนิจจังง่ายที่สุดเพราะจิตนี้เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะเราก็จะเห็นอนิจจังได้ทั้งวันเลยแล้วก็ดูจิตในมุมของอนัตตาก็ดูง่ายว่าสุขทุกข์ดีชั่วนะมันเป็นไปเองมันจะไปดูมันจะไปฟังมันจะไปดมกลิ่นหรือมันจะไปคิดมันก็ทําของมันได้เองมันไม่ใช่ตัวเรา เนี่ยนะดูอย่างนี้เรียกว่าเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของจิตใจอย่างกายานุปนะัสสนาหมวดที่ง่ายๆปัพระที่ง่ายๆของกายานุปัสสนามีสมอันอันหนึ่งอานาปนาสติปัพระอันที่สองปัพระหมายถึงหมวดหมู่อันะอันที่สองอิริยาบทปัพระอันที่สมสัมปชัญญะปัพระถ้าเราทําอานาปนาสตินะสิ่งที่เห็นง่ายนะคือความไม่เที่ยง เพราะว่ามันเปลี่ยนตลอดเวลาหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหายใจออกเกิดขึ้นแล้วดับหายใจเข้าเกิดขึ้นแล้วก็ดับนะดูอย่างนี้มันเห็นอ น, นิจจังง่ายนะในเรื่องของอานาปนาสติในเรื่องของอิริยบทจะดูทุกนะจะดูทุกเพราะเราเปลี่ยนอิริยบทเพราะความทุกข์มันบีบคั้นในเรื่องสัมเปชัญญะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกอันนี้ต้องดูอนัตตา ดูอนิจจังดูไม่ถูกเลยมือขยับเนี้ยจะดูยังไงอนิจจังดูไม่ถูกดูทั้งมวลรวมดูทั้งก้อนเนี่ยไอ้ก้อนนี้มันขยับมันไม่ใช่เราขยับเหมือนเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเท่านั้นนั้นเนี่ยหุ่นยนต์นี้มันกระดูกกระดิกดูเองเนี้ยจะเห็นนั้นจะดูง่ายในมุมของอนัตตานะเนี่ยดูกายก็ได้นะดูจิตก็ได้กายก็แสดงไตรลักษณ์จิตก็แสดงไตรลักษณ์ วิสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงจะเห็นตามความเป็นจริงได้มีเงื่อนไขต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะแล้วก็เป็นกลางรู้สภาวะแล้วไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายให้ยินดีให้รู้ทันยินร้ายให้รู้ทันสภาวะเนี่ยคือหลักที่เดินปัญญานะหลักที่จริงเป็นตารามาโหรารเลยหลวงพ่อย่อเหลือประโยชน์สั้นๆอันเดียวนี่เอง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 นัจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางเจอสุขก็ไม่หลงยินดีเจอทุกข์ก็ไม่หลงยินร้ายถ้ายินดีก็กรเพิ่มขึ้นยินร้ายก็ก็เพิ่มหลงจิตทกแ็แฝงอยู่นั่นน่ะนี่จิตจะเข้าสู่อุเบกขาจุดที่จิตอุเบกขาด้วยปัญญาเนี่ยคือจุดที่จะเกิดอริยมรรคละหลังจากนั้นอริยมรรคจะเกิดดงั้นเราฝึกนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางรู้ไปเรื่อยๆ อา้าวต่อไปส่งกงันบ้านามีความรู้สึกว่าทําสมาธิแบบที่หนึ่งได้แป๊บเดียวค่ะหลวงพ่อเสร็จแล้วมันก็จะเข้าไปดูสภาวะมันใจจิตมันชอบเดินปัญญานะเราก็ต้องฝืนนะน้อมไปทําความสงบให้มันอิ่มให้ใจมันอิ่มเลยนะแล้วก็ออกมาเดินปัญญานี้อิ่มแล้วเดี๋ยวขี้เกียจเดินปัญญานะ ปัญญากล้าไปปัญญามันมากงั้เวลามันสงบเนี่ยสงบแวบเดียวก็ออกเตืนปัญญานะมันยังพักไม่พอมันเหมือนเรารับมีดเราใจร้อนเอาหินมาถูมีดนะถูกแกลกเดียวเลิกแล้วมีดยังไม่คมหรอกต้องถูไปเรื่อยๆซ้ำๆไปต่อไปสังารเจ้าขังพอดังๆยกมาอย่างนี้ คือจิตมันยังหลงอยู่ตลอดนะคะหลงค่ะหลงอะไรรู้พอรู้รู้แ ป, ป๊บก็ไปแป๊บก็ไปค่ะจิตมันยังติดโลกอยู่ยังเพลินอยู่กับโลกชอบไหลไปข อ, อคําแนะนำจากหลวงพ่อคะอ่ะอดทนไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ฝึกไปเรื่อยๆอด ท, ทนไหมเก่งไม่สําคัญหรอกสําคัญที่ต้องทนจริงๆวันนี้เหมือนไม่ค่อยมีอะไรจะส่งอะค่ะหลวงพ่อ อย่าไปรวบจิตเข้ามานะอย่าไปดึงจิตเข้ามาปล่อยให้มันทำงานปกติแล้วมีสติวรวลึกรู้ไปสมาธิยังไม่พอนะใจไม่ค่อยมีแรงดูออกไหมดูออกค่ะจุดอ่อนก็อยู่ตรงนี้แหละคารวาสเนี่ยนะจุดอ่อนอยู่ที่สมาธิไม่พอนะเรานั้นเราต้องฝึกฝึกตัวเองให้ดีให้จิตมีกำลังแล้ว อย่งที่ทําอยู่พอได้ไหมคะที่ <พอ S 1> ว่าใช้ได้นี่ถ้ากําลังพอเนี่ยจิตมันจะเดินปัญญาของมันเองละจิตมันพร้อมจะเดินปัญญามันชอบเดินปัญญามากกว่าชอบสมาธนะิแต่ว่าจิตมันยังไม่มีกําลังงนั้นพยายามหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็รู้ทันจิตไปเนี่ยจิตจะได้มีแรงครับนขะ้อ ก็ขออ่าขอเข้ามาตรงพ่อเลยนะครับมออืตรงกันบ้างครั้งแรกเลยนะครับก็เห็นความฟุ้งซ่านเยอะมากแล้วก็ตามรูทันเสร็จแล้วมันก็จะเห็นว่าความฟุ้งซ่านมันมันผุดขึ้นมาเองใช่แล้วมันก็หายไปมันมันไม่มีตัวเราอยู่ตรงนั้นเลยเออถูกแล้วนะแล้วแบบบางทีก็จะเห็นว่าอมันคิดออกมาเองเหมือนเป็น อืถูกมันคิดของมันเองครับเรมันคิดของมันเองมันทํางานของมันเองมันสุขมันทุกข์ของมันเองมันดีมันชั่วของมันเองครับมันไม่ใช่ตัวเราครับเห็นเห็นตรงนี้เยอะมากก็แบบเห็นว่าบางทีมันแวบหนึ่งบอกว่ามันไม่ใช่ตัวเราจริงๆอืแต่ว่ามันแวบเดียวแต่ไม่เห็นทุกครั้งครับดูบ่อยๆนะดูไปเรื่อยๆไอ้กิเลสมันก็ถูกล้างไปเรื่อยๆครับการล้างกิเลสในขั้นต้นเนี่ยคือล้างความเห็นผิด ว่ามีตัวเราะถ้าเมื่อไหร่เห็นว่าไม่มีตัวเราอย่างท่องแท้แล้วะกระทั่งตอนเผลอๆก็ไม่มีเรานะไม่มีกระทั่งเงาของความเป็นเราเกิดขึ้นในใจะตอนนี้ยังมีเงาไหมมีครับดีฉลาดมากถูกใจนีภาวนามันต้องอย่างนี้เราเมื่อกี้พอกับหลวงพ่อบอกถูกใจอัตตามันขึ้นมาเออนั่นต้องอย่างนี้ อยากจะบวชยวังคิดอยู่ครับแต่ว่ามีภาระอยู่ีกบ้านเออมีภาระไปจัดการก่อนนะใช้ได้นะภาวนาได้ถูกหลักถูกเกณฑ์มีอะไรต้องปรับปรุงอีกหมครับจิตขนาดนี้ไม่ตรงฐานทีเดียวดูออกไหมดูออกครับเออดูได้ก็ใช้ได้ละไปทำเอาดูบ่อยๆนะอย่าผิดสีนะอย่าเจ้าชู้นะ ครับพระอาารหลวงพ่อค่ะอืเพิ่งมาอยู่วัดครั้งแรกแล้วก็พุโทโธก็ก็ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้ค่ะอะอะไรนะพุโทโธอยู่เนี่ยค่ะฟุ่งค่ะพุโทโธค่ะแล้วฟุง้งค่ะฟุ้งรู้ว่าฟุ้งสิแล้วก็พุโทโธต่อสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างค่ะภาวนาอย่าไปมุ่งที่ความสงบความสงบเป็นผลพลอยได้ของการมีสติเท่านั้นเอง เัลนเราพุโทโธไปจิตฟุ้งซ่าน ร, รู้ว่าฟุ้งซ่านเนี่ยเรามีสติรู้ทันเดี๋ยวจิตก็สงบเองว่าความฟุ้งซ่านมันก็ไม่เที่ยงนะพุโทโธไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าพุโทโธแล้วหวังสงบเนี่ยจิตจะฟุ้งซ่านใหญ่อย่าหวังสงบพุโทโธแล้วฟุ้งซ่าน ร, รู้ว่าฟุ้งซ่านแค่นี้แหล ะ, ะเดี๋ยวสงบเองน้ำมัสการค่ะนมัสกา ร, รหลวงพ่อค่ะ ส่งการบ้านครั้งแรกค่ ะ, ะปกติก็รักษานห้าแล้วก็ทำในรูปแบบทุกวันค่ะเออดีแล้วก็ได้ฟังหลวงพ่อมาปีกว่าแล้วทำตามหลวงพ่อสอนเป็นความเปลี่ยนแปลงไหมเห็นค่ะนะเห็นทุกจากจิตะะล้กายค่ะรู้ทุกค่ะแล้วก็า<ต>ําตามตดูแต่ปกติเนี่ยจิตเหมือนตอนนี้ไหม ไม่ค่ะเออต้องไม่เหมือนนะตอนนี้ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเราไปรวบเอาไว้ค่ะก็ดูเห็นทุกเห็นความโลภเห็นกิเลสทุกตัวที่เกิดขึ้นถ้าภาวนาเห็นกิเลสเนี่ยใช้ได้นะแล้วก็ตามดูค่ะตัวไหนที่มันอ่อนๆก็ดูทันตัวไหนที่มันแรงๆก็ต้องเอาศีลมาคุมค่ะเออถูกต้องเวลาเราสู้กิเลสไม่ไหวแล้วก็ใช้ศีลนะเวลาจิตเรามีกําลังขึ้น กิญญเลสมาเราใช้สมาธิข่มกิเลสใช่ค่ะแล้วก็จุดสําคัญที่จะถอนรากถอนโคนกิเลสก็คือปัญญาค่ะเครื่องมือของเราคือศีลสมาธิปัญญาศีลเป็นเครื่องข่มจิตไม่ให้ตามกิเลสค่ะสมาธิเป็นเครื่องข่มกิเลสไม่ให้ย้อมจิตปัญญาเป็นเครื่องขุดรากถอนโคนกิเลสศีลสมาธิปัญญาเป็นเรื่องกิเลสเท่านั้นค่นะฝึกไปเรื่อย ต้องทําอะไรเพิ่มเติมไหมการหลวงพ่ออย่าให้จิตเหมือนตอนนี้ก็แล้วกันให้จิ ต, ตนนเป็นธรรมชาติส่วนคนที่นั่งข้างๆนั้นติดเพ่งนะเพ่งยืนพื้นเลยเพ่งอยู่ตลอดเวลาเลยนะไปเริ่มไปเริ่มทําใหม่ปฏิบัติใหม่ที่ทําอยู่เดิมไม่ถูกหรอกสาธุค่ะคนจีนใช่ไหมเขาถามว่าเอาขอให้หลวงพ่อช่วยแนะ น, นําเรื่องการภาวนาต้องมี ส่อมแสมอะไรหรือเปล่าที่ภาวนาอยู่ก็ใช้ได้นะมีกาทำบ่อยๆ อ, อ่านใจตัวเองบ่อยๆใจเราสุขใจเราทุกข์ใจเราดีใจเราร้ายคอยรู้ไปบ่อยๆนะที่ฝึกอยู่พอใช้ได้แล้วล่ะแค่คอยรู้ทันใจไว้นะนี่อยู่ทางนี้ใครจิตส่งออกนอกไปเที่ยวหาว่ามันอยู่ตรงไหนนะ เห็นไหมชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านอันนี้ถ้าพูดในเชิงบว ก, กเรียกว่าคนไทยรู้จักเอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่ห่วงใยเพื่อนบ้านนะถ้าพูดตรงไปตรงมาก็เชื้การนมัสการค่ะหลวงพ่อส่งการบ้านในรอบหนึ่งปีค่ะขอดูหน้าหน่อยย่นโฉมหน่อยเอานั่งได้ รู้สึกไหมใช่เราเปลี่ยนนะเปลี่ยนค่ะนั่นแหละฝึกไปเรื่อยๆนะกิเลสอะไรมาก็รู้ก็เห็นนะทุกอย่างมันมาแล้วมันก็ไปมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะดูอย่างนั้นเรื่อยๆไปตอนนี้ตื่นเต้นดูออกไหมดูออกค่ะออตื่นเต้นแล้วไปบังคับจิตเอาไว้รู้ไหมรู้ค่ะเออไปพอนานะค่ะจิตตอนนี้ไม่เข้าฐานดูออกหรือเปล่า อยู่ที่หลวงพ่อคะ่ะใช่เลยมาอยู่กับหลวงพ่อทําอะไรฮะเนี่ยให้รู้ท่านจิตหนีไปแล้วรู้ท่านใช้ได้นะรู้ว่าจิตมาอยู่ที่หลวงพ่อแต่เวลาจะตายนะแล้วถ้าเจริญตัญญาไม่ได้เอาจิตมาไว้กับหลวงพ่อนะเ อ, อแล้วปลอดภัยหน่อยขอบุณค่ะครับอยู่ที่ไหนเอ่ยการนมัสการค่ะหลวงพ่อข อ, ขอดูหน้าก่อน อ่นั่งได้ส่งการบ้านครั้งแรกคร่ะออรู้สึกไหมจิตโมโหค่ะดูะออกไหมดูออกค่ะนั่นแหละมันมีโมหะเราก็รู้ว่ามีโมหะ<ม>ถ้าไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบอยากให้มันใสรวาอยากคอยรู้ทันจิตใจของเรามันจะดิ้นรนปรุงแต่งไปเรื่อยเราก็รู้เท่าทันเป็นช็อตๆไปอ้าว่าไปจะถามอะไรก็ว่าม า, าที่ที่ใจมัน ไม่ค่อยกระเทือนกับพัสะที่เข้ามาเพรว่ามันเพ่งอยู่อ๋อขอบคุณค่ะอ ย, อย่าไปเพ่งเอาไว้ถ้าเพ่งไว้ปัญญาไม่เกิดออกมันจะนิ่งไปหมดต้องจับหลักให้แม่นนะจิตใจเป็นของไม่เที่ยงก็ต้องไม่เที่ยงเหมือนเป็นทุกข์จะให้มันเป็นสุขไปก็ไม่ถูกมันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้จะบังคับมันอยู่ก็ไม่ถูกนะดูจากความจริงของมันมันไม่เที่ยง ถ้ามันเกิดเที่ยงขึ้นมาสังเกตให้ดีส่วนใหญ่ไปเพ่งเอาไว้มีความสุขอยู่ตลอดเวลาก็เกิดจากสมาธิเหมือนกับรักษาได้บังคับได้ก็เกิดจากสมาธิเรื่องสมาธิต้องเรียนให้ดีเรียนไม่ดีนะผิดเลยนะเวลามาเดินปัญญามันจะนิ่งเฉยเฉยเกืบกับนวัตการหลวงพ่อนะครับอืมครั้งนี้มาเป็นครั้งแรกนะครับผมอยากจะ เขากันบ้านหลวงพ่อครับที่ฝึอกอยู่ใช้ได้นะครับผมไปดูต่อเรื่อยๆชี้โมโหว่าไม่ครับไม่ก็ดีแล้วค่อยรู้เท่าทันใจของเราเรื่อยๆนะครับผมอย่างคำว่าโมโหเนี่ยหมายถึงความรู้สึกไม่ชอบอะไรเงี้ยนะถ้ามันชอบอะไรก็รู้นะมันไม่ชอบอะไรก็รู้รู้ไปเรื่อยๆมันละเอียดนะค่อยๆดู ใจหนีไปแล้วรู้ไหมครับใจหนีไปหนีพิคิดบูบหนึ่งอย่ารู้ทันว่าจิตมันหนีไปที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะฝึกได้ดีเชียวละไปทำต่อขอดูหน้าหน่อยเหล็กมันบังอ้าวดูเสร็จแล้วว่าไปกราบนับสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ <c oughs> ยมส่งการบ้านครั้งสุดท้ายปีกว่ามาแล้วค่ะอทีนี้ในครั้งนี้เนี่ยยกยกใหม่ตั้งๆเนี่ยยมส่งการบ้านมาปีกว่าแล้วเจ้าค่ะอตอนนี้ก็คือจิตเป็นกลางมากขึ้นค่ะแล้วก็เมื่อเป็นกลางมากขึ้นไม่กระโจนเข้าไปดูมันก็จะเห็นความว่างระหว่างการเกิดดับอจะเห็นช่องว่างที่มีช่องว่างมาขั้นนะจิตแต่ละดวงอะมันมีช่องว่างมาขั้นถูกละ ทีนี้เวลาที่จิตเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าไม่ใช่เราบางครั้งก็เป็นไปชาติอยู่ที่รูปบางครั้งก็ไปชาติอยู่ที่จิตอแล้วในช่วงหลังๆเนี่ยก็คือมันจะผุดขึ้นมาว่าจิตไม่ใช่เราอืแต่มาระยะหลังเมื่อเมื่อเร็วนี้เนี่ยค่ะสองสาครั้งเนี่ยมันก็จะบอกว่าจิตผู้รู้ก็ไม่ใช่เราอโยมก็เลยสงสัยเกิดขึ้นมาว่าหรือว่าโยมไปรักษาตัวจิตผู้รู้ไว้โดยที่ไม่รู้ตัว ไม่ใช่หรอกนะไม่ต้องกังวล น, นะ้ที่มันสอนมาเนี่ยถูกแล้วละ่ะนี่พอเราจะไปรักษาตัวผู้รู้ไว้อ่ะที่ปัญญามันก็สอนเรานะว่ะาให้ดูผู้รู้ก็ไม่ใช่เราต้องดูอย่างนี้ที่มันสอนนะถูกนะั้นเราก็ดูไปเรื่อยนะจิตผู้รู้เดี๋ยวก็เกิดแล้วก็ดับกลายเป็นจิตผู้คิดพอรู้ทันว่าคิดนะก็เกิดจิตผู้รู้ จิตผู้รู้อยู่ชั่วคราวว่าเป็นจิตผู้ไปดูเนี่ยวไปฟังไปดมกลิ่นอะไรเงี้ยพอรู้ทันว่าไปดูไปฟังไปดมกลิ่นจิตผู้รู้ก็เกิดอีกมันจะสลับไปเรื่อยๆนะสุดท้ายมัจะเห็นว่าจิต ท, ทุกชนิดเกิดแล้วดับจิต ท, ทุกชนิดเลยกระทั่งจิตผู้รู้ก็ไม่ใช่ตัวเราเพราวานาได้ดีนะไปทําอีกทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะใช่ใช่เวลาที่จิตมันสอนธรรมะเนี่ยเราก็พิจารณาดู มันสมเหตุสมผลก็เชื่อได้อย่างเนี้ยมันสอนถูกต้องมันสอนเป็นเรื่องไตรลักษณนะ์ก็เชื่อได้ก็ดูต่อไปฉลาดนะจิตดวงนี้มันสอนถึงขนาดว่าตัวผู้รู้นะก็ไม่ใช่ตัวเราดีเห็นความเบิกบานของจิตไหมเจ้าค่ะนะมันสว่างมันผ่องใสรู้สึกไหมรู้สึกเจ้าค่ะภาวนาได้ดีมากๆเลยน ะ, ะไปทาไป กลับขอบคุณเจ้าค่ะเราจะได้ปิดอบายไปให้ได้เด็ดขาดสาธุโยมก็กราบถวายการปฏิบัติหลวงพ่อเจ้าค่ะเออนุโมทนาโยมก็กราบอนุโมทนากับหลวงพ่อแล้วอุชลาดเนาะอ้าวสาธุบางคนนะมาขอถวายบุญให้หลวงพ่อก็ขอ อนุโมทนาบุญหลวงพ่อเรารู้สึกถึงเธอเนี่ยเอาขุ้งฝอยมาตกปากกระพงเธอไม่ค่อยจะทำบุญเลยเลยชทำบาปซะเยอะเลย่าว่าไปกลับนมัสการหลวงพ่อค่ะอืคือเมื่อเดือนที่แล้วนะคะหลวงพ่อกำลังภาวนานั่งอยู่นะคะแล้วปกติเป็นคนความดันค่อนข้างต่ําอยู่ๆจิตมันก็บีบตัวอย่างแรงค่ะอืมแล้วมันก็ความดันมันก็พุ่งขึ้นมาอืแล้วก็ นั่งภาวนาต่อไม่ได้ก็เลยไปหาหมอแล้วหมอก็ดูว่ามันไม่ได้ทั้งเป็นหัวใจความดันอะไรก็เลยกลับมาก็กลัวไม่กล้าภาวนาเท่าไหร่แต่ว่าก็ฝืนภาวนาต่อเออภาวนาไปก็ภาวนาก็ทั้งนั่งทั้งเดินจงกรมอะนะคะแล้วตอนเดินเนี่ยตอนหลังมันก็แทรกขึ้นมาเรื่อยๆมันจะเป็นไอ้กลัวความดันเนี่ยค่ะมันก็จะชาแล้วจิตมันก็จะแกว่งชาเลยเหรอ ใช่ค่ะใช่แล้วจิตมันก็แกว่ง<ม>เอเก็เลยนึกถึงที่หลวงพ่อสอนว่ากายก็ไม่ใช่เราเออมันเป็นของทิ้งอยู่แล้วอือก็จะทิ้งมันอือแล้วก็ยกมือถวายกายกับจิตให้กับเราเจ้าต้องอย่างนั้นสิฮะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆมันก็โอเคเ อ, อมันหายไปอย่าไปเชื่อมันนะตายก็ตายนะตายก็ตายวันนั้นก็บอกตายก็ตายเออมันต้องอย่างนี้นี่ถูกใจ แล้วก็เลยเหาะเหาะใหญ่ใหญ่ไม่ได้เรื่องอะไรเดือนที่แล้วค่ะแล้วมันก็เป็นมาแล้วตอนหลังก็มันก็มาหาอยู่เรื่อยอ่ะค่ะถ้าภาวนามันก็มาหาอืมตอนหลังก็เลยไปถามคุณหมอพอดีลูกเป็นหมอลูกก็เลยบอกต้องอ่อนยาแล้วตอนนี้ก็คืออ่อนอ่อเล็กๆมาทานยาเล็กๆแต่มันก็คอยแทรกนะคะหลวงพ่อมันคอยแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาเราก็รู้ไอ้ตัวเนี้เขาเรียกขันธมาร เป็นเรื่องร่างกายร่างกายก็ให้หมอเ็าดูแลไปเราดูแลใจของเราเองคิดอย่างนั้นเลยคะว่าถ้าเก<น>ิดว่าร่างกายจะเป็นไรก็ให้หมอดูแลแล้วใจเราดูแลเองใช่ไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของหมอหอุปชาหลวงพ่อนะท่านเป็นบาหวานท่านบอกท่านกินทุกอย่างหน้าที่รักษาบาหวานเป็นของหมอหน้าที่ฉันเป็นของเรา ตอนหลังมันก็ยังแทรกอยู่นะคะหลวงพ่อมันก็ยังมาอยู่เรื่อยๆ <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> มาเรื่อยๆเราก็ดูไปเรื่อยๆอคือบางครั้งเนี่ยดูทันมันก็หายถ้าดูไม่ทันแทรกเข้ามาเงียบๆเนี่ย ม, มันก็จะเกิดความเออมันจะมีความที่ว่าวิบากเกิดขึ้นแล้วะเพราะว่ามันไปรับแ ล, แล้วแล้วเรามารู้ที่หลังเราก็รู้ว่าอ้าวนี่เราเกิดความชอบไม่ชอบเกิดขึ้นแล้วมันก็จะดับแต่บางทีนะ มันมีพลังจากข้างนอกเข้ามากระแทกเรามันมีนะเพราะเรามีสติรู้ทันมาเนไม่เป็นสลายไปถ้าสติเราอ่อนนะมันก็เข้ามากระแทกหัวใจเราเต้นริ้วๆขึ้นมาใช่่ะแต่มันก็ดันความดันเหมือนกันนะคะบางครั้งก็ลองทดเอดความดันดูความดันโลหิตไม่เท่าไหร่แล้วความดันทุรังน่ากลัว มันก็มาเรื่อยๆค่ะเอ่อนดูรู้ท่าทอนจิตไปน ะ, ะแล้วเวลาก่อนจะภาวนานะไหว้พระสวดมนต์แผ่เ<ว>มตตาะแผ่เมตตาไว้ก่อนแล้วเวลาพลังงานไม่ดีมันมากระแทกใจอ่ะจะได้เบาลงเพราะก่อนภาวนาก็ไหว้แล้วก็ถวายอืไหว้ถวายแล้วก็เดีย๋ยวเพิ่งถวายสิยังไม่มีอะไรจะถวายไหว้ภาวนาแล้วค่อยถวายค่ะ แผ่เมตตก่อนที่เราจะภาวนาใช่ไหมคะใช่จเจริญเมตตาไว้นะคิดถึงพระคิดถึงพระพุทธเจ้าบอกว่าเราบอกเทพพรหมเทวดาว่าเราจะภาวนาช่วยปกป้องรักษาด้วยแล้วภาวนาเสร็จก็ก็แ ผ, แผ่ส่วนบุ ญ, บญก็ทําอยู่อะค่ะนั่นแหละทาไปนะถ้าสติเราเร็วนะตอนที่พลังมันมากระแทกใจเราเนี่ยมันจะดูปุ๊บมันจะสลายไปเลยใจจะไม่เต้นผิดปกติ ถ้าสติลรอ่อนนะมันเหมือนมันยิงขีปนาบุรเข้ามาระเบิดข้างในอกเลยที่เหมือนไฟไหม้ข้างในเลยเคยเป็นไหมเคยแต่มันกระชากจิตแบบบีบหัวใจเต้นเต้นเต้นเต้นเต้นแรงแมากเลยอันนั้นต้องไปหาหมอด้วยนะหาเลยครับหมอหัวใจเช็คหมดแล้วบอกไม่เป็นอะไรนั่นแหละมันเป็นพลังงานจากข้างนอกนะขอบพระคุณค่ะ อยู่ที่ไหนเอ่ยกับน้ววัสการหลวงพ่อจ้าค่ะอืมส่วนกันบ้านเป็นครั้งที่สองจ้าค่ะอืมพูดดังๆนิดนึงโ <c oughs> ยมปฏิบัติก็ฟุ้งซ่านแล้วก็จิตไม่เป็นกลางเจ้าค่ะถูกฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านนะเจ้าค่ะห า, าเครื่องอยู่ให้จิตอยู่อยู่กับพุโทโธไปอยู่กับลมหายใจไปจ้าค่ะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแต่ว่ า, าอยู่ไปเรื่อยๆเจ้าค่ะ ใจก็จะค่อยมีสมาธิสงบตั้งมั่นขึ้นมาเจ้าค่ะเนี่ยถึงได้บอกว่าโยมนะคารวะนะจุดอ่อนของคารวะเลยคือสมาธิไม่พอนะสาเหตุที่สมาธิไม่พอมีสองอานอันหนึง่งไม่รู้จักวิธีทําสมาธินะอันที่สองรู้จักวิธีแล้วทําไม่พอทําแป๊บๆ แ, แล้วขี้เกียจล้วอะไรอยเงี้ยจ้าค่ะขอพระคุณเจ้าค่ะ กับนามัส ก, การหลวงพ่อเจ้าคะ่ะส่งการบ้านครั้งสุดท้ายหลวงพ่อบอกให้หนูไปดูหายใจเข้าพุทหายใจออกโทคะ่ะและทีนี้พอไปทําแล้วมันรวบมันแน่นตรงกลางอกคะ่ะหลวงพ่อหนูก็เลยปรับเป็นดู ก, กายนี้หายใจออยมันก็ ม, นกมันก็เบาเ <c oughs> บาขึ้นแต่ก็ยังฟุ้งซ่านอยู่คะ่ะก็ดูบ่อยๆนะฟุง้งซ่านรูวฟุง้งซ่านแล้วก็กลับมาอยู่กับกายหายใจไป แล้วฝึกบ่อยๆแตคะนะ่ะสมาธิยังไม่พอนะใจยังฟุ้งอยู่ก็ต้องฝึกบ่อยๆใจก็จะค่อยๆสงบค่อยๆเชื่องใจบางทีก็เหมือนม้าพยศ น, นะกระโดดโลดเต้นต้องเขี่ยวเข็นทรามานต้องฝึกหัดก็ค่อยเชื่องขึ้นเพี่ยงขึ้ น, นที่ฝึกมานะก็ะใจก็เชื่องขึ้นเยอะแล้วดูออกไหม ดูออกเจ้าค่ะนั่นแหละมันก็มาในทางที่ดีขึ้นแล้วละ่ะนะงั้นให้หนูดูหายใจเข้าพุทหายใจออกโทต่อไปใช่ไหมคะเอ า, อ า, าดูไกลดูไกล<น>หายใจไปแต่ตอนดูไกลหายใจมีข้อเสียอยู่นิดหนึ่งน ะ, ะก็คือสติอ่อนไปนะดูสบายเพลินๆไปนิดหนึ่งเราะนั้นดูแบบรู้สึกตัวให้เข้มแข็งขึ้นหน่อยะเจ้าค่ะ งั้นตอนดูมันเบาไปมันดูแล้วมันเพลินๆไปมันก็แอบฟุ้งไปเจ้ค่ะนะเพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นนิดหนึ่งนิดเดียวน ะ, ะ, ะนเพิ่มมากมันจะแน่นอย่างตอนที่หายใจเข้าพุทออกโธ่ะเราจงใจหายใจงันกแน่นที่จริงการหายใจไม่ได้ทําให้แน่นการท่องพุโทโธไม่ได้ทําให้แน่นแต่ความจงใจที่จะปฏิบัตินะ่ะมันทำให้แน่นถึงทํากรรมฐานอื่นถ้าจงใจมากๆก็แน่นเหมือนกัน หลักเดียวกันทั้งหมดนะดู ก, กายหายใจไปนะด้วยใจสบายๆแต่ไม่เอื้อละเหยเกินไปนะกับนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะที่ทำยู่ถูกไหมคะถูกทำไปเยอะดัะงนั้นก็ทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะไม่ได้ <laughs> ต้องดีกว่านี้สิเราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆทําอยู่แค่นี้จะได้ไรได้ค่ะได้จะพยายามขึ้นค่ะคอยรู้ทันใจของเรานะค่ะใจเราสนขึ้นมาก็รู้ใจเราโมโหขึ้นมาก็รู้ใจเป็นไงก็รู้ไปเรื่อยๆผัหลังเริ่มทําบ่อยขึ้นแล้วมันก็รู้มากขึ้นนะนั่นแหละดีอย่างนั้นแหละเรียกว่าเจริญงั้นธรรมะเนี่ยหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ได้นะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆ การพัฒนาก็คือการรู้เท่าทันกิเลสที่ละเอียดละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆกิเลสเล็กกิเลสน้อยอะไรก็เห็นหมดอ่ ะ, ค, ะค่อยๆฝึกตั้งใจจะเดิมตามหลวงพ่อค่ะเออแต่จิตไม่ถึงฐานด้วยาไหมจิตกว้างๆตอนเนี้ยมันไม่ค่อยอยู่ตรงนี้มันพอไปข้างนอกนั่นแหละมันอยู่นอกนะค่ะต้องฝึกนะค่ะหายใจซิเราหายใจเอาความรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจข้างนอกเนี่ยแล้วหายใจเข้ามาอย่าดึงจิตเข้ามานะเความรู้สึกจับไว้ แตะไวแตะนิดๆอยู่ที่ลมข้างนอกแล้วหายใจเอาลมเข้าม า, าใจมันจะกลับเข้ามาต้องฝึกน ะ, ะถ้าใจไม่อยู่ในตัวเองเดินปัญญาไม่ได้จริงะจะพยายามค่ะ อ, อ, อย่างนี้ก็ชอบนะบพยายามเนี้ย ค, ค่ะตัวตนนะภาพเปลี่ยนไปอยู่ที่ไหน เขาอการครับหลวงพ่ อ, อส่งการบ้านที่หลวงพ่อให้ที่บ้านจิตสบายเดือนที่แล้วครับอืให้ไปดูตัวปีติครับเห็นยังเห็นไปถึงไตรักเกิดดับแล้วก็ไปเห็นอีกตัวด้วยครับตัวกูเก่งเออดูไปตัวเนี้ยตัวนักเกลียนเนาะครับ <laughs> ทีนี้จะถามหลวงพ่อว่าที่เห็นมันจริงหรือว่าคิดครับ เห็นสิไปดูบ่อยๆนะครับรู้ทันกิเลสได้ดีแล้วกูเก่งกูเก่งนะดูไวนะ้ไปฝึกต่อไปสาธุครับแต่ว่าพื้นจิตเนี่ยนะมันฟุ้งซ่านเก่งนะงั้นต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ถ้าไม่มีเครื่องอยู่เลยจิตจะฟุ้งไปอยู่กับพุทธโธครับอยู่กับพุทธโธใช้ได้นะแล้วไม่บังคับจิตนะ พุโทโธไปจิตฟุ้งซ่านก็รู้พุโทโธไปจิตสงบก็รู้นะก่อนหน้านี้ชอบบังคับครับอืมอย่าไปบังคับนะกลับนมัสการค่ะหลวงพ่ออืมอันนี้เป็นการส่งการบ้านครั้งแรกนะคะเพิ่งปฏิบัติมาไม่นานอืเวลาที่สวดนมนต์จะเห็นว่าตัวเองค่อยๆเน่าแล้วก็ แล้วก็เลือแต่กระดูดแล้วก็ตายไปอื ม, อ ม, อมดูไปนะกระทั่งกระดูกก็แตกสลายได้นะดูไปเรื่อยๆมันเกิดบ่อยไหมบ่อยขึ้นค่ะนั่นดูไกลไปนะของเก่าของเราเคยสร้างมาทางนี้ดูไกลไปนะพอไกลสลายไปหมดแล้วเหลือแต่จิต ด, ดวงเดียวไม่ขาดสตินะ<ค>เป็นไหมกายหายไปหมดแล้วแต่ความรู้สึกตัวยังอยู่เคยเคยมีความรู้สึกแบบนะี้ตัวนี้สําคัญนะ ถ้าเราเคยภาวนาจนกายหายไปหมดแล้วเหลือแต่ความรู้สึกตัวอยู่อันเดียวเนี่ยคือมีจิตอยู่อันเดียวเนี่ยพอถอยกลับมามีร่างกายเราจะรู้สึกเลยร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอนกันดูออกไหมอันนี้ดูออกค่ะนั่นแหละขันมันจะแยกตลอดชีวิตเลยนะถ้าสามารถดูจนกระทั่งกายหายได้เราจะรู้เลยกายกับจิตเนี่ยคนละอนกันแน่นอนขันมันจะแยกอัตโนมัติทั้งชีวิตเลยนะ สอบถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะทําไมหนูจะจะเห็นเฉพาะตอนที่สวดมนต์คะตอนที่นั่งสมาธิไม่เห็นแบบนี้นั่นแหละไป็นสวดมนต์สวดมนต์นั่นแหละคือการทําสมาธิแล้วเป็นเป็นสมาธิที่ถูกกัจจหลิตของเราการนั่งอย่างนี้มันแค่เปลือกนะนี่อย่างเราสวดมนต์เราจิตสงบขึ้นมาเห็นร่างกายสลายเน่าเปื่อยอะไรเงี้ยเรสวดมนต์ไปเรื่อย นะแต่ร่างกายเน่าไปหมดแล้วหายไปหมดแล้นะเหลือแต่จิตดวงเดียวอย่างเนี้ยไม่ให้จิตหายนะแล้มีจิตตัวเนี้ยคือตัวจิตผู้รู้พอมันกลับมามีกายมันจะรู้เลยกายเป็นของข้างนอกนะรู้สึกไหมกายเป็นของนอกๆใช่ค่ะนะบางทีทุกข์จนแบบว่าอยากจะกระโจนออกไปเออนะเ น, นี้ยรู้อย่างนั้นไปค่อยๆเดินปัญญาไปนะเห็นเลยกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราจิตผู้รู้นี้ก็ไม่ใช่ตัวเรา ดูไปวันนี้ส่งกันบ้านได้สะใจหลวงข้อมากไถูกใจถูกใจประเภทจิตหนูเป็นยังไงหนูท้อแท้ขอกำลังใจโอ้ยฝังนั้นอยากติบมนักปฏิบัติมันต้องสู้ไม่ใช่ขี้คลาดอย่างนั้นนำมัศการเจ้าค่ะเหมือนว่าตัวเองเห็นโทรสาที่ผุดไหม แค่จะเล่านะนี่โทรสามอย่างผุดปุ๊บขึ้นมาเลยโมโหว่าจาไม่ได้นะโมโหตัวเองคือมันหลุดออกจากการปฏิบัติมานานเพราะว่าช่วงหลังที่โยมบอกหลวงพ่อไปว่ายกยกเมืองอย่างนี้เโยมบอกหลวงพ่อไปว่าแม่ป่วยติดเตียงแล้วดูแลพ่อด้วยใช่ไหมคะวันนี้พาพ่อมาด้วยเแม่นอนป่วยอยู่สี่เดือนโยมก็อยู่กับแม่ตลอดอะค่ะแม่จะพูดโทรแบบท่านพอลีกับ ลงตามหาบัวคือพุทโทนับนะคะวันที่ท่านจะเสียท่านก็จามจามสามครั้งแล้วก็หัวใจก็เริ่มจะหยุดเต้นตอนนั้นนายมรู้สึกแต่ ว, ว่าต้องพาแม่ไปให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รูปอกแล้วก็จะบอกตลอดเวลาว่าเข้าไปททของเขาเองได้นะเราเมเไม่ต้องพาหรอก ความหมายงยมก็แบบอยากให้แม่ไระลึกถึงพุทโธค่ะก็ลูกอกเขาตลอดเวลาแต่ขณะที่ลูกอกแม่พุทโธพุทโธบอกแม่นะพุทโธพุทโธถวายพระพุทธเจ้าจิตโยมค่ะมันเรียบเหมือนไม้ไมนทัดเลยเออดีแล้วมันเรียบหมายมันทาเสร็จแล้วตอนนั้นก็ยังไม่รู้สึกอะไรค่ะเพราะว่าพยาบาลอหะเขาก็จะเข้ามานั้นโยมบอกว่าไม่เป็นไรโยมขอให้เชิญพยาบาลออกไปโยมขออยู่กับแม่สองคนแล้วก็ นำนำไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็สักพั ก, กมันก็มารู้สึกตัวว่าเขามาบอกว่าให้โทรตามญาติโยมบอกไม่โทรมีแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วโยมก็รู้สึกว่าจิตมันมันเริ่มเคลื่อนแล้วค่ะตอนนี้โยมก็ดูไปเรื่อยๆดูไหมว่ามันขัดใจค่ะ <laughs> <laughs> ตอนนั้นไม่ไม่ <laughs> ตอนนั้นไม่ได้เห็นนะคะจ่อตอนนี้พอหลังจากงานศพเสร็จ โยมก็เริ่มรู้สึกจิตกังวลเรื่องของแม่แต่ไม่ได้คิดถึงแม่แต่คิดถึงความเจ็บปวดของแม่ที่เวลาอยู่ในโรงพยาบาลปัญหาก็คือโยมเหมือนจะป่วยเลยแบบมีความรู้สึกเราแย่อืงนั้นโยมก็เลยเอาแม่เนี่ยเป็นวิหารธรรมอืจะโผล่มาเมื่อไหร่โยมก็ดูพอโยมมาเมื่อไหร่ก็ดูมันก็ดับแต่ตอนนี้อะคะ่ะหนักก็เดิมคือพอพอโผมามันมันเห<ล>มือนบีบหัวใจแล้วก็โผล่ยังไง แบบคิดถึงความรู้สึกว่าเราคิดถึงแม่ไอ้ น, นั้นเป็นสัญญาแนละโดนสัญญาหลอกแล้วนะค่ะอย่างเราไปจําอารมณ์ของเขาค่ะทางร่างกายตอนที่เขาจะตายาแล้วจิตเราไปจับตัวนี้ไว้เป็นระลึกถึงนะมันเหมือนบีบหัวใจตัวเองนะใช่ค่ะอย่าไปเอาอย่างนั้น ไม่ครมันมันโผล่ขึ้นมาแล้วอย่างว่าเหมือนตอนแม่เราอาเจียนเป็นเลือดตอนแม่เราปวดอย่างเงี้ยเราทำไมไม่ทําอย่างนั้นไม่ทำอย่างเี้มันมันจะคิดอย่างเงี้ยอมก็เอาอย่างเงี้ยให้รู้ไปเลยจิตกำลังฟุ้งซ่านกลับมาพุทโธใหม่ะเอาพุทโธเป็นอารมณ์นะอย่าไปเอาความรู้สึกเก่าๆของแม่มาเป็นอารมณ์ค่ะอันนั้นเป็นความรู้สึกทางกายเท่านั้นเองค่ะทางใจเข้าไปของเขาได้นะแม่ไปดีแล้วใช่มครัไม่บอก ไม่ใช่หน้าที่ก็ความเป็นลูกก็อยากจะคาดหวังสิ่งสุดท้ายก็ตรงนี้แหละค่ะหลวงพ่อแล้วก็วันนี้พาพ่อมาด้วยอยากให้หลวงพ่อให้วิหารธทําพ่อเพราะ่อไม่มีเสียงพูดบอลมแล้วก็เส้นเสียงขาดใหค่ะพ่ออยู่นี่ค่ะหายใจไปพุโทโธไปใจเข้าพูดออกโตไปเรื่อยๆะฝากเป็นฝากตายไว้กับการหายใจ แล้วหายใจไปอย่างมีสตินะะจ น, นถึงลมหายใจสุดท้ายเลยนะนะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเออพ่อฟังของพ่อมาตลอดเวลาสามปีฟังมากกว่าหนูอีกใช้ได้นะค่ะใช้ได้ขอบคุณค่ะท่านคนสุดท้ายนู่นอยู่ท้ายห้องสมเป็นคนสุดท้ายจริงๆนะอยู่ท้ายห้องเลยกลับนมัสการครับหลวงพ่อไม่ได้ส่งการบ้านมาสองปีหรอกครับ โดยภาพรวมคิดว่าดีขึ้นครับแต่ว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาตกต่ำมาครับเพราะว่าคิดว่าทน้อยครับช่วงเดือนเป็นไรนะรู้สึกว่ายําแย่ลงครับเพราะว่าทาน้อยครับเล้ก็ทำให้เยอะสิ <laughs> <laughs> ที่ฝึกมาก็พอใช้ได้นะจิตใจก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแล้วล่ะก็ฝึกให้เยอะๆนะอย่างตอนนี้จิตไหลไปคิดรัว่าจิตไหลไปคิด ค่อยรู้ทันอ่านใจของตัวเองไปเรื่อยๆใจสุขใจทุกข์ใจสงบใจฟุง้งซ่านอะไรเงี้ยค่อยรู้บ่อยๆใช้ใจเป็นวิหารธรรมก็ได้ดูความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยๆเพราะมีอะไรนั้นเพิ่มเติมไหมคะนี่ไงไปดูจิตใจตัวเองนะใช้จิตนี่แหละเป็นวิหารธรรมครับเห็นเลยเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้าย เดี๋ยวสงบเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ดุมไปทั้งวันนะนะแล้วเวลามันฟุ้งซ่านขึ้นมาจริงๆก็ไปไหว้พระสวดมนตนะ์ทำสมาธิอะไรก็ทำไปแล้วอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยดูจิตใจมันทำงานไปเรื่อยๆใช้ได้อยู่กับมาพอคุ้คาคเชิญกลับบ้าน